เมื่อวานนี้นั่งเครื่องบินมาจากดอนเมืองมาลงขอนแก่นนะขึ้นจากดอนเมืองไม่เท่าไหรนะ่ก็ผ่านเมฆนะนะเป็นเมฆดำเลยเมฆฝนระหว่างที่ผ่านเมฆฝนนี่ก็เครื่องมันก็ขย่านะเครื่องมันก็สั่นนะ แต่ว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่นึกแปลกใจว่าอากาศที่มันเบาบางเนี่ยนะให้มันสามารถที่จะยกเครื่องบินเนี่ยทั้งลํานี้ให้ลอยขึ้นไปได้เครื่องบินแต่ละลํานี้หนักเป็นร้อยรตันนะแต่ว่าสามารถที่จะลอยขึ้นฟ้าแล้วก็แล่นได้อย่างสบายแม้ว่าจะผ่านเมฆนะซึ่ง เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันเต็มไปด้วยไอ้น้ำนะแต่ว่าอากาศก็ยังสามารถจะพยุงเครื่องบินขึ้นไปได้ไอสิ่งที่ดูมันอ่อนๆนะสิ่งที่ดูไม่มีน้ำหนักเช่นอากาศก็ดีเช่นน้ำก็ดีมันก็มีความแข็งแรงมีพลังอยู่ไม่น้อยเลย เวลาเราเจอเวลาเทียบอากาศกับเหล็กเนี่ยนะหรือว่าอากาศกับน้ําหรือว่าน้ํากับเหล็กเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเหล็กนี่มันแข็งแรงกว่ามันจมน้ำนะแต่ว่าถ้าอากาศหรือน้ํานี่มันมีแรงพอนี่มันก็สามารถที่จะพลิกเรืออา่า พลิกเรือให้คว่มได้ลมก็เหมือนกันนะสามารถที่จะพลิกเครื่องบินนี่ให้ให้คว่มได้เหมือนกันเคยมีเครื่องบินที่ลงมาถึงดันเวแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะแต่ปรากฏว่ามันมีเรือมันมีลมแบบพลิกผันนะพลิกหรือว่าพัดเครื่องบินนี่ให้ ให้ทะเลให้ทะเลให้ลายเลยนะทะลายไปชนกับภูเขาคนก็ตายกันเยอะสิ่งที่ดูเหมือนบอบบางนะมันมีพลังอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นน้าหรือเป็นอากาศแต่สิ่งที่มันบอบาบางยิ่งกว่า น, นั้นคือบางจนมองไม่เห็นเลยอาจจะมีพลังยิ่งกว่าก็ได้นะ นั่นคืออารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่อยู่ในใจเราเนี่ยอารมณ์ในใจเราเนี่มันจับต้องไม่ได้นะชั่งก็ไม่ได้น้ํำนี่เรายังชั่งได้จับต้องได้อากาศนี่เราก็ยังเอามาชั่งได้ขนาดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตานะ แต่เขาก็สามารถจะช่างเป็นน้ำหนักได้อย่างเช่นบนบนบรรยากาศนี่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์หนักนี่เป็นหลายแสนเป็นแสนล้านตันได้แต่อารมณ์เนี่ยมันไม่มีน้ำหนักนะจับต้องไม่ได้แต่มันก็สามารถที่มีพลังนะที่จะบังคับให้เรานะ เป็นไปตามอำนาจของมันก็ได้หรือสามารถที่จะทำลายเข้าของทำลายตึกหรือว่าทำลายโลกทั้งโลกนี้ก็ว่าได้อย่างเหตุการณ์11กันยาเนี่ยที่มีคนเอาเครื่องบินไปชนถล่มตึก World t r เนี่ยมันก็เกิดจากอำนาจของอารมณ์นะอารมณ์และความคิด จะเป็นความโกรธความเกลียดหรือว่าความยึดติดในอุดมการศา ส, สนาในตามแบบของตัวก็ตามเนี่ยมันก็สามารถจะนำไปสู่การทำลายได้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกที่สองะสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากแรงผลัของอารมณ์นะจะเป็นตัณหามาณทิฏฐิก็แล้วแต่จะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียด ให้สิ่งเหล่านี้นี่มันก็สามารถสร้างความผิดหายให้เกิดขึ้นได้ใจถ้าเป็นอารมณ์ในทางบวกนะมันก็สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายนะเช่นความเมตตากรุณาคนะวามเมตตากรุณามันก็สร้างสารรค์โลกสามารถจะทําสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้ แม่ที่มีเมตตามีความรักต่อลูกนี่ก็สามารถจะ อ, อดทนเพื่อลูกได้หรือว่าถ้าเรามองถึงว่าความเมตตากรุณาของพระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์นี่ก็สามารถที่จะนะทำให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขได้สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตานะแต่มันมีพลังนะ ความอ่อนโยนความเมตตาบางทีมันมีพลังยิ่งกว่าความโกรธความเกลียดชีงมันมีเรื่องเล่าว่าที่ประเทศเกาหลีสักสามสีร้อยปีก่อนพุทธศาสนาในบางช่วงในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับนะของผู้มีอำนาจเท่าไหร่ คราวหนึ่งก็มีกองทัพเนี่ยบุกเข้าไปยึดเมืองเมืองหนึ่งเ <c oughs> มืองนี้เนี่เขานับถือพุทธศาสนาแต่กองทัพเนี่ยไปนับถือรัที่คงจื้อนะคงจื้อกับพุทธนี่บางช่วงบางสมัยก็ไม่ถูกกันนะคงจื้อก็อยากจะทําลายพุทธศาสนาแม่ทัพนี่ก็เป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถมากสามารถที่จะยึดเมืองได้ภายในเวลารวดเร็ว พอยึดเมืองได้เนี่ยพระต่างๆในวัดนะก็ก็หนีเอาชีวิตรอดเพราะรู้ว่าแม่ทําเนี่ยเมื่อไปถึงวัดใดก็จะทําลายนะจะฆ่าพระเอ่ยชีเอ่ยเพราะถือว่าเป็นพวกต่างาศาสนาต่างอุดมการมีวัดหนึ่งเนี่ยนะ คนในวัดก็หนีหมดเลยแต่เจ้าว่าไม่หนีก็ยังอยู่วัดเฝ้าวัดพอแม่ทัพเนี่ยเข้ามายึดเมืองได้ก็ตรงมาที่วัดนี้เลยมาเห็นเจ้าว่าเจ้าว่าก็ยืนอยู่นะตรงลานวัดแม่ทัพนี่ก็ไม่ค่อยพอใจนะแปลกนะทาไมเจ้าว่านี่ไม่หนีเหมือนพระลูกอื่น ก็เดินเข้าไปแล้วถือดาบในมือแล้วก็พูดกับเจ้าวาดว่าเนี่ยท่านรู้เปล่าว่าท่านกําลังยืนอยู่ต่อหน้าใครท่านกําลังยืนอยู่ต่อหน้าคนที่สามารถจะฟันท่านให้ขาดเป็นสองท่อนได้โดยไม่กระพริบตาเจ้าวาดฟังก็เฉยเฉยไม่ได้หวั่นเกรงอะไรแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยแล้วท่านรู้หรือเปล่าวา่าท่านกําลังยืนอยู่ต่อหน้าใคร ท่านกำลังยืนอยู่ต่อหน้าคนที่พร้อมจะหรือยอมให้ถูกฟันขาดสองท่อนได้โดยไม่กระพริบตาแม่ทัพฟังนี้ก็เรียกว่าประหลาดใจมากนะนึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วนะแต่มีคนที่เก่งกว่าตัวเองนะคือคนที่ยอมที่จะถูกฟันถูกฆ่าถูกฟันให้ขาดสองท่อนได้โดยไม่กระพริบตา แะหว่างสองคนนี่ใครเก่งกว่ากันนะคนหนึ่งเนี่ยพร้อมจะฟันศัตรูหรือคู่อริให้ขาดสองท่อนโดยไม่กระพิบตาอีกคนหนึ่งพร้อมที่จะยอมให้ถูกฟันขาดสองท่อนโดยไม่กระพิบตาแม่ทับรู้เลยว่าโอโ้คนนี้เนี่ยเจ้าวาดองค์นี้นี่นะเรียกว่าเก่งยิ่งกว่าตัวเองนะการที่จะฆ่าใครมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่การที่จะยอมถูกฆ่าโดยที่ไม่ไม่วิตกไม่กลัวนี่อันนี้เก่งกว่า ก็เลยแพ้ใจนะแพ้ใจเจ้าวาดองนี้นะแทนที่จะใช้ดาบฟันขาดนะก็เลยยอมนะเพราะรู้ว่าเนี่ยคือคนที่เก่งกว่าคนที่เก่งกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทาลายใครนะแต่ว่ายอมที่จะถูกฆ่าถูกทาลายโดยที่ไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวนะเจ้าวาดก็เลยนะ ปลอดภัยนะอันนี้เป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างความแข็งกับความอ่อนนะเป็นการต่อสู้ระหว่างความโกรธความเกลียดกับความเมตตาหรืออหิงสาไอ้ความโกรธความเกลียดนี่มันสามารถจะทําลายอะไรต่ออะไรได้มากมายนะแต่ว่ามันก็แพ้นะแพ้ความเมตตากรุณาซึ่งเป็นความอ่อนเป็นความอ่อนโยนนะแต่มีพลังสามารถที่จะ ชนะใจใแม่ทัพที่มีความกราดเกลียวดุดันได้ในสิ่งที่อ่อนเนี่ยนะมันก็มีพลังอยู่แต่ว่าพลังก็มีทั้งลบแลวก็บวกนะเราก็ต้องพยายามใช้พลังนะไปในทางที่เป็นบวกอย่าปล่อยให้อารมณ์ที่มันเป็นความโกรธความเกลียดข่มงำใจเพราะมันสามารถจะสร้างความฉิบหายได้แต่ถ้าเราใช้ความเมตตากรุณาความรักความมีสติความรู้สึกตัว มันก็สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆแล้วก็นำพาชีวิตของเรานะให้ผาสุขเจริญ ง, งอกงามได้แล้วก็สามารถจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เลวร้ายได้แล้วก็เตรียมรับพร